เดี๋ยวก็มีบทรกัก mm hmm. เดี๋ยวก็มีบทโกรธ mm hmm. เดี๋ยวก็มีบทที่มีความสุข mm hmm. เดี๋ยวก็มีความทุกข์ mm hmm. นะมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นหนังสือเล่มที่อ่านยังไงก็ไม่จบนะจนกว่าจะจบชีวิตแล้วก็เปิดเล่มใหม่อ่านอีก mm hmm. ถ้าหากเราพาวนาเราอย่าไปคิดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องทําอะไรที่แปลกๆกว่ามนุษย์ธรรมดา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 คนไหนถนัดพุดโทโธนั้นก็ท่องพุโทโธในใจพุโทโธเล่นๆพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปนะแล้วประเดี๋ยวเดียวใจจะแอบไปคิดเรื่องอื่นพุโทโธพุโทโธแวบไปเรื่องอื่นละเราก็รู้ทันว่าใจหนีไปคิดละวคนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็ <c oughs> าหายใจไปหายใจออก <c oughs> หายใจเข้าไม่ใช่หายใจให้จิตสงบไม่ได้หายใจให้จิตนิ่งไม่ได้หายใจเอาเคลิ้ม แต่หายใจแล้วคอยรู้ทันใจตัวเองหายใจไปหายใจไปนะจิตแอบไปคิดเรื่องอื่นก็ให้รู้ทันคนไหนพุโทโธก็ไม่เป็นหายใจก็ไม่เป็นสวดมนต์เอาก็ได้นะ阿รหังซัมมาซัมพุทโธพรควาอะไรเงี้ยสวดมนต์ไปแล้วใจลอยแวบไปคิดเรื่องอื่นนะปากก็ยังสวดได้นะเพราะสวดด้วยไขยสันหลังสวดด้วยความเคยชิน ก็สวดไปอะหังซ้ำมาใจก็คิดไปแล้วเย็นนี้จะไปเที่ยวไหนดีกลางวันนี้จะไปกินข้าวกับใครอย่างนี้นะแล้วก็รู้ทันหัดรู้ทันใจที่มันแอ บ, บไปคิดบ่อยๆคนไหนชอบดูท้องผ่องยุบก็ดูท้องผ่องยุบแต่ไม่ได้ดูแล้วให้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องดูแล้วก็ค่อยรู้ทันจิตวิ่งไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันจิตหนีไปคิดก็ค่อยรู้ทันดูไปดูไปจิตแอ บ, บไปคิดแวบรู้ว่าจิตหลงไปคิดละ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 คนทั่วๆไปทุรนทุรายถ้าเราหาัดดูใจของเราเรื่อยๆเราจะเห็นเลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดี <calibration. S 1> เดี๋ยวก็ร้ายความสุขก็ชัว่วคราวความทุกข์ก็ชัว่วคราวกุศลก็ชัว่วคราวอกุศลก็ชั่วคราวเพราะเราเห็นความจริ Ş งอย่างนี้มากๆนะต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามันชัว่วคราวความสุขเกิดขึ้นนะเราก็ไม่หลงระเริงว่ามันจะต้องอยู่นานความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่ทุรนทุรายรู้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไป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 หลวงปู่ดูนถึงบอกหลวงพ่อว่าไม่ยากครูบาอาจารย์ทุกองค์เลยที่หลวงพ่อเข้าไปเรียนด้วยนะถ้าคุยกับท่านานานๆ น, น, น, นะถึงจุดหนึ่งท่านก็จะแบบแว บ, บออกมานะบอกไม่ยากหรอกไม่ยากบางองค์เคยบอกหลวงพ่อเลยนะตอนหลวงพ่อจะไปบวชไปลาท่านจะไปบวชแล้วครับท่านบอกประมุ่นจำไว้นะประมุ่ง่ายนะง่ายท่านกลัวว่าเราจะไปทําอะไรแบบมั่วๆนะแล้วยิ่งภาวนายิ่งลําบาก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 ยากไหมจิตที่โกรธจะทําให้หายโกรธก็ยากจิตจะต้องดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ต้องมีความสุขตลอดเวลายากไหมที่จะมีความสุขตลอดเวลายากนะทํายากทํำยังไงจะมีความสุขตลอดเวลาทําไม่ได้หรอกแต่วิปัสสนานง่ายกว่านั้นวิปัสสนาจิตไม่ดีรู้ว่าไม่ดีจิตไม่มีความสุขรู้ว่าไม่มีความสุขจิตไม่มีความสงบรู้ว่าไม่มีความสงบรู้แล้วจะได้อะไร รู้แล้เราจะเห็นเลยจิตไม่ดีก็ไม่ดีชั่วคราวจิตดีก็ดีชั่วคราวจิตไม่มีความสุขนะก็ไม่มีความสุขชั่วคราวมีความสุขก็ชั่วคราวเหมือนกันะจิตไม่สงบมันก็ชั่วคราวจิตฟุ้งซ่านก็ชั่วคราวใช่ไหมจิตสงบก็ชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวหมดเลยเราแค่เห็นความจริงว่าทุกอย่างมันชั่วคราวแล้วมันยากอะไรเราไม่ได้เข้าไปแทรกแสงถ้าเราเข้าไปดัดแปลงนะไปพยายามดัดแปลงไปพยายามแก้ไขพยายามรักษาอันนั้นเราถึงจะยาก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 เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นรู้ว่าหายใจออกสั้นเห็นไหมกริยาคือคําว่ารู้เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหยุดหายใจรู้ว่าหยุดหายใจกริยาคือรู้ท่านไม่เคยสอนเลยว่าการรู้ลมหายใจนะั้นต้องมีฐานกี่ฐานลมต้องกระทบกี่แห่งพ ร, พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยมันเป็นคาสอนที่เกิดขึ้นชั้นหลังๆลัง ถ้าเราเป็นชาวพุทธฝ่ายเทรวาทที่แท้จริงเราต้องเชื่อมติของพระมหาเถระที่เราชื่อว่าเทรวาทหมายถึงเถรวาทะเทรวาท ะ, ทาาทะคือวาทะของพระเถระหมายถึงมติของพระเถระซึ่งไปร่วมการสังคายนาพระอราหันห้าร้อยองค์ที่ไปสังคายนาครั้งแรกที่พระมหากัสปะเป็นประธานพอสังคายนาพระไตรปิฎกเสร็จนะพระมหากัสปะก็เสนอยัตติบอกว่าพวกเราจะต้องเชื่อฟังคําสอนของพระพุทธเจ้า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 พ่อไปฟังหลวงปูดูลั้งแรกนะภาวนาอยู่เจ็ดเดือนภานะวนาไปส่งกันบ้านท่านอีกรอบนะไปภาวนาต่ออีกนะเป็นขั้นๆเป็นลาดับลำดับไปความทุกข์มันก็ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆเอนะวันนี้เทศเท่านี้ก็พอแล้วนะมากกว่านี้เดี๋ยวจะลำบากมีไหมเังเกตนไหมตอนนี้พวกเราใจของเราวิ่งไปดูคนที่ถือไม่มารู้สึกไหม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 ตาแล้วจิตมันไหลไปรวมเข้ากับอารมณ์มันไม่ยอมแยกเราจะทํายังไงเนี่ยอีกไม่กี่นาทีจะได้เจอหลวงปู่นะดึงใหญ่นะตึงใหญ่เอ้ยเอมันก็ไม่ยอมนะในสุดช่างมันวะมันเป็นไตรรักนะนึกในใจอย่างนี้นะมันนึกว่ามันเป็นไตรรักมันหลุดปุ๊บออกมาเลยโอ้มันเป็นไตรักแล้วมันหลุดได้นะนีพอยอมรับเท่านั้นแหะว่ามันเสื่อมได้พอไปถึงสวนทิพนั้นหลวงปู่อยู่สวนทิพที่ปักเกร็ด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 แล้ ว, ล ว, ลวอาการวูบๆเคยเกิดขึ้นครั้งสองครั้งแบบวูบนีดเดียวไอ้อย่างนี้ก็วูบเพื่อนจิตลงผวังก็ช่างเขาอะไร <ขอ S 1> ไม่มีในย่าอะไรนะเป็นเรื่องปกติพระคุณค่ะมีเพื่อนกี่คนที่จะถามหลวงพ่อ14บสี่เหรอเอาเชิญก่บการตั้งการหลวงพ่อประมุขครับพอเรียนถามว่าภาวะจิตของเราปกติเนี่ยมันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในกายในใจเรา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 นี่อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่ามี่ทากรรมฐานอะไรที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดครับของคุณต้องเคลื่อนไหวไว้นะกระดุกกระดิกไว้อย่านั่งอย่างเดียวนั่งอย่างเดียวไม่พอนั่งแล้วมันจะเคลิ้มง่ายแต่ไม่เคลิ้มก็ฟุง้งซ่านย้ำเคลื่อนไหวแล้วก็เห็นร่างกายมันเดินเดินไปเดินไ ป, เ, นไปเห็นจิตแอบไปคิดเดินไปเดินไปเห็นจิตมาเพ่งอยู่ที่กายของคุณติดเพ่งนะพอไปนั่งปุ๊บจะเข้าไปเพ่งนิ่งๆอย่างนี้อย่าไปเพ่งให้นิ่ง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 ใจก็นิ่งๆอยู่งันไม่ได้ประโยชน์เท่าไรท่านดีนะไม่ใช่ท่านไม่ดีเราอ่ะยังไม่ดีพอที่ท่านจะสอนวิปัสสนาให้เช่นมาเจอหลวงปู่ดูลนะท่านสอนให้ดูจิตดูกายก็ได้นะดูจิตก็ได้ไม่ใช่ต้องดูจิตทุกคนแล้วแต่จริตนิสัยของโยมยังติดเพ่งอยู่จิตมันยังนิ่งเกินจริงไปนิดนึงพยายามปล่อยทาตัวเป็นแค่คนดู แล้วกระตุกกดิกให้มากมไหมเคลื่อนไหวให้มากมากอ่านั่งนิ่งถ้านั่งนิ่งยิ่งเพ่งเก่งเรื่องยากนะเพ่งอะเรื่องยโ <ๆ S 2> ยมดูออกไหมว่าโยมเพ่งอยู่โยมดูออกไหมจิตขณะนี้ของโยมเนี่ยกับจิตตอนที่ไม่ได้คิดเรื่องการปฏิบัติเนี่ยไม่เหมือนกันไม่ออกไหมไม่เคยออกครับนันิ่งตลอดทั้งวันทั้งคืนนะอย่าไปกดไว้นะถ้ากดไว้เช่าติดอยู่อย่างนั้นแหละ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 คุณเจ้าค่ะำมันสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านหลวงพ่อครั้งแรกเดือนพฤศจิกายนะคะ่ะหลวงพ่อบอกว่าจิตหนูทื่อๆค่ะทีนี้ผ่านมาห้าเดือนตอนนี้ดีขึ้นไหมค่ะดีขึ้นสินะดูออกไหมลนะ่ะจิตเป็นคลายกว่าแต่ก่อนตอนไม่แข็งนี่มีปัญหาเรื่องเรื่องหนูฝึกพองยุบมานะคะ่ะแล้วไม่เข้าใจที่หลวงพ่อสอนว่าให้แยกจิตออกมาเป็นผู้ดูไกาพองยุบ ม, ม, มาะมจะแยกออกมายัางไงฮะ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 ไม่ทราบว่าจริตตัวเองเนี่ยควรจะใช้กรรมฐานอะไรจ้คะ <c oughs> ดูอะไรได้ก็อ่อนนั่นแหละนะควรทําสมถะได้ไหมคะติดสมถะหละก็นั่งทําสมถะบ้างก่อนนอนจะาค่ะ <c oughs> ได้ไดทํานะทําไม่มากนะทั้งที่เดียเดินดี ก, กว่านั่งเคลื่อนไหวแล้วก็เห็นร่างกายมันเดินเดินไปจนเมื่อยก็ลงไปนั่งเห็นร่างกายมันนั่งใเของเราเป็นคนดูไปเรื่อยๆดูกายนี้แสดงละครให้ดู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 อย่าให้อยู่เฉยหลวงปู่มั่นเคยสอนว่าระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยนะิญต่อไปอคุณนี้ดีขึ้นเยอะแล้ ว, ลวนะใจมันตื่นขึ้นมาแล้วพอรู้สึกเอารู้สึกไหมใจเราไม่เหมือนแต่ก่อนตอนมันแข็งแข็งนะอันนี้มันโปร่งโล่งเบามันสงบสะอาดสว่างรู้ตื่นเบิกบานมากขึ้นมากขึ้นรู้สึกไปที่ฝึกอยู่ถูกแล้วคนต่อไปค่ะนมสัส ก, การเจ้าค่ะ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 แต่ถ้าเรามีสติอยู่เราเห็นความโกรธผุดขึ้นในใจเนยเราเห็นเลยความโกรธจะสลายตัวไปเราไม่ผิดศีลโดยอัตโนมัติเพราะฉะั้นถ้ามีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นกับจิตนะไม่ต้องพูดเรื่องรักษาศีนเลยศีนเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะใจก็จะตั้งมั่นขึ้นมานะแล้วก็คอยรู้กายคอยรู้ใจจนเกิดปัญญานั้นมีสติไว้แหละดีแล้วมีสติก็มีศีนมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญา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 เวลาฝึกเจริญสติของเราในชีวิตธรรมดาของเราเนี่ยะเวลาที่ทำงานที่ต้องใช้ความคิดไม่ใช่เวลาเจริญสติเป็นเวลาที่เราต้องทำงานต้องรู้ว่าหน้าที่ของเราตอนไหนควรจะทำอะไรนะแต่ว่าพอเราตั้งใจทำงานแล้วเกิดความขี้เกียจขึ้นมาเนี่ยหรือเกิดเบื่อหรือเกิดเซงเกิดโมโหเกิด อ, อะไรขึ้นมานะคอยรู้ทันใจของเราใจเราก็จะสงบขึ้นมาพอใจิตใจเราสงบแล้วก็ตั้งใจทางานต่อไปงานของเราจะดีขึ้นด้วย แล้้วัััจุนนนีีท่่งสมของใจให้นิ่งเกินไปนะยังนิ่งมากไปนิดหน่อยแต่ใจก็เริ่มตื่นขึ้มารู้สึกไหมใจมันสว่างกว่าแต่ก่อนดูออกไหมเป็นบางครั้งเจ้าค่ะใจมันก็เริ่มคลายตัวออกมาละอย่าไปเพ่งไว้นะปล่อยให้มันทำงานแล้วก็ตามดูไปมานาสการหลวงพ่อค่ะคือได้ฝึกดูจิตมาประมาณหเดือนได้แล้วค่ะ น, นี้ไม่ทราบว่า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 อดดูอย่างนี้เรื่อยๆไปนะความโกรธจะสลายตัวไปเองแต่ถ้าข่มไว้ไม่หายหรอกไม่ไม่คือภายนอกก็จะดูเรียบเหมือนไม่มีความโกรธนะเจ้าค่ะแต่ใจก็มองไปเรื่อยๆก็เหมือนเป็นคลื่นอยู่เรื่อยๆถูกต้องเลยถ้าเห็นเป็นคลื่นนะถูกต้องเลยเป็นคลื่นเหมือนเหมือนคลื่นหัวใจนะใช่ใชเราเป็นคนดูเฉยๆนะเราไม่ไปบังคับให้มันหายไปไม่ถ้าบังคับน่าเรื่องไม่ข่มไว้ไม่ดีเราจะเห็นมันเป็นคลื่นปั๊บปั๊บบ หลวง<ล><ล>พ่อเคยเป็นนะแล้วมีอยู่ช่วงหนึง่งนานแล้วยีกว่าปีแล้วมีช่วงนั้นเห็นมันไหวอย่างเงี้ยว่าว่าว่าเห็นทั้งวันเห็นทั้งคืนเลยนะลแล้วตอนนั้นลืมทําสมถะไปทิ้งสมถะเนี่ยผิดเลยจเจริญตัญญาแล้วทิ้งสมาธิไปนานๆใช้ไม่ได้ <S <S พอเห็นอย่างนี้มากเข้ามากข้าแล้วมันเต็มไปด้วยความทุกข์วิ่งไปหาหาลวงพ่อพุทธไปถามท่านจะให้ท่านแก้ให้ทั้นก็แก้ไม่ตกนะท่านสอนสอน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 กราบนมัส ก, การเจ้าค่ะโยมข อ, อความกรุณาหลวงพ่อช่วยแนะนำะวิธีการปฏิบัติในการรับมือกับกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นจากจิตใจของโยมเองหรือไม่ก็กิเลส ท, ที่เกิดจากไปรับรู้กิเลสของคนอื่นไปรับรู้กิเลสคนอื่นถ้าเราสักว่ารู้สักว่าเห็ น, นันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราใช่ปัญหาก็คือใจเรานนี้แหละปลุงกิเลสขึ้นมาก่อน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 ความทุกขมันจะเข้ามาหาเราทั้งวันเลยแล้วเราต้องฝึกตัวเองเรียนรู้ตัวเองให้มากๆความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่อยู่ที่กายก็อยู่ที่ใจความทุกข์อยู่ที่กายที่ใจนี่เองถ้าเราคอยมีสติสคอยรู้นะความทุกข์เข้ามาที่กายเราจะเห็นไอ้ากายมันทุกข์แต่ไม่เกี่ยวกับเราจิตใจมันมีความทุกข์กขึ้นม า, ามก็ไม่เกี่ยวกับเราจิตใจมันโลภจิตใจมันโกรธจิตใจมันหลงจิตใจมันเป็นไงก็ไม่เกี่ยวกับเราใจมันใจค่อยๆแยกตัวออกมานะ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 ยังมีทางเลือกอยู่นะบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์ทั้งๆ ท, ที่พระพุทธเจ้าสอนว่าขันห้าเป็นทุกข์ท่านไม่ได้สอนว่าขันห้าเป็นทุกข์บ้างเป็นปสุขบ้างรับใดที่เรายังเห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเนี่ยเราจะมีการดิ้นรนที่จะแสวงหาความสุขเราจะอยากได้ความสุขเราจะดิ้นรนนะเพราะว่าเรามีความอยากที่จะพ้นทุกข์ความดิ้นรนความอยากนี่แหละเรียกว่าตัวตัณหา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 ยถาวาริวหาปุราภิริปุเรนตีสักรังเอวเมวายโตทินังเปตาังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเปปุเรนตูสังกปาจันโทปนาราโสยะถามณีโชติราโสยะถาสปีติโอวิวัตชันตูสปารโอโควินาสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะ